ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะก่อนอื่นจะต้องขอกล่าวต้อนรับน้องสองคนที่มาใหม่มาครั้งแรกในวันนี้นะคะ เป็นเพื่อนของอาหรือโอนี่นะคะน้องวรรมพรนะคะแล้วก็เพื่อนน้องศ ส, สิพินขอเชินยืนขอที่ผู้ชมจับมือต้อนรับด้วยค่ะโอเคค่ะโอกาสหน้าจะมาร่วมมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะมาครั้งแรกก็เป็นวัยรุ่นวัยอนุนอนนชนวันนี้ก็เป็นวันระลึกอนุชนนะคะ ผู้นำก็เป็นวัยรุ่นวัยอนุชนนะคะผู้เทศนาก็วัยรุ่นเหมือนกันนะคะและพี่น้องที่นี่ก็วัยรุ่นเช่นกันอเมนไหมคะค่ะขอบคุณพระเจ้าเสียงดังมากเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างที่ผู้นำนำมสัส ก, การแล้วก็ประธานอนุชนได้กล่าวไว้นะคะว่าวันนี้เป็นวันระรึกอนุชนเป็นวันที่เราระลึก ถ, ถึงเมื่อครั้งเรายังเป็นวัยอนุชนแล้วก็รับใช้พระเจ้านะคะตัวลูกตาลเองนะคะก็ รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันนะคะกลับมามองเห็นน้องๆ น, นะคะเดินขบวนนะคะบกธงนะคะร้องเพลงโอเพลงมันอยู่ในสมองนะคะเราก็ร้องตามะคะ่ะเรานึกถึงเมื่อครั้งเรามารับใช้พระเจ้าด้วยกันนะคะรู้สึกขอบคุณพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกนี่คือสมัยของลูกตานะคะแล้วสมัยก่อนหน้านี้นะคะไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าที่เรามีแบบอย่างที่ดี นะคะที่เป็นอนุชนรุ่นเจ้ว่ารุ่นเก่าก็มีใช่นะรุ่นเก่าดีกว่านะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เรานะคะทําให้เราเองก็เจริญรอยตามอนุชนรุ่นเก่ารุ่นนั้นนะคะจนมาเป็นยุคปัจจุบันนี้รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะคะและยิ่งกว่านั้นวันนี้มีโอการได้มาแบ่งปันพระชนะ์ของพระเจ้าก็ตื่นเต้นไม่แพ้ผู้ น, นํานมัสการเหมือนกันนะคะเดยอดคำมือไม้สั่นไปหมดเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อได้รับ การเชิญจากประธานนะคะว่ามาแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าในวัน ล, ลึกลอนุชนนะคะในหัวข้อพระคุณพระเจ้าที่ฉันได้รับที่ฉันได้รู้จักนะคะก็นึกถึงคำว่าพระคุณคำว่าพระคุณเป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะเป็นคำที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อใครบางคนกระทำสิ่งดีให้กับเรานะคะช่วยเหลือเรา ดูแลเรานะคะแล้วเราก็จะกล่าวว่าขอบพระคุณใช่หคะและหากว่าเราเองจะตอบสนองให้แก่ผู้ที่ทำดีกับเราเราเองก็จะตอบแทนบุญคุณหรือตอบแทนพระคุณนั่นเองคำว่าพระคุณจึงนึกถึงว่าพระเจ้ามีบุญคุณในชีวิตของเราอย่างมากล้นซึ่งเราให้ลุกตาล น, นึกถึงพระธรรมตอนหนึ่งซึ่งเราจะอ่านแล้วก็ศึกษาด้วยกันในเช้าวันนี้นะคะในพระธรรม ทิตัสบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดถึงข้อที่สิบสี่ค่ะถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะคะเราเปิดอ่านด้วยกันนะคะทําทิตัสบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดถึงข้อที่สิบสี่เมื่อเราพบแล้วนะคะเราจะอ่านพร้อมกันนะคะมีแค่สี่ข้อนะคะทิตัสบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดถึงข้อที่สิบสี่ อ่านพร้อมกันด้วยเสียงดังแบบวัยรุ่นนะคะ1 2 3สองสเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดสอนให้เราละทิ้งความอาธรรมและโลกิยะตันหาและดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสั์ซื่อสุดจริตและตามครองธรรมคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง ได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะพระองค์และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีเราอาธิษฐานด้วยกันค่ะ พระเจ้าพระวิดาเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรแก่การสรรเสริญขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาสงบจิตใจของเราทั้งหลายลงจำเพาะพระพักพระเจ้าชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ขับพระเจ้าขอให้ถ้อยคาทุกถ้อยคํานั้นเป็นมาจากพระเจ้าเพื่อประชากรของพระองค์และเราทั้งหลายจะจดจ่อ รับเอาถ้อยคําของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการจะสื่อกับเราเฉพาะเจาะจงขาแตาพระเจ้าและถ้อยคําของพระเจ้านั้นจะฝังรากลึกในชีวิตของเราและเกิดผล30บเท่ า, ทาบาง60เทา่าบางร้อยเท่าบางเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระธรรมติตสัสนะคะเป็นจดหนายฝากที่อาจารย์เปาโลเขียนถึง สื่อพิบาลหนุ่มนะคะที่ท่านได้วางใจแล้วก็มอบหมายงานให้ทําให้ดูแลนะคะในเรื่องของภารกิจของพระเจ้าที่เกาะครีตนะคะอาจารย์เปโลได้แสดงออกถึงความสัมพันธภาพที่มีที่ดีต่อติตัสนะคะโดยเรียกติตัสว่าเป็นบุตรแท้ในความเชื่อนะคะได้เรียกว่าเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ว่าอาจารย์เปาโลจึงมอบภารกิจที่สําคัญ ให้กับติตัสได้รับใช้พระเจ้าและดูแลนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าที่เกาะครีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการพูดบดยิ่งกว่านั้นนะคะถ้าเราดูในบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองข้อที่สิบถึงสิบหกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าที่เกาะครีตเนี่ยมาตรฐานในการดำเนินชีวิตด้านจริยธรรมของเขาก็ตกต่ำนะคะเขามีการสอนผิดของกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเทียมเทสนะคะ และแถมยังชอบถกเถียงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะคะในบทที่สาข้อที่เก้าถึงข้อบเอ็ดทให้อาจารย์ปะโล ก, ก็เลยต้องส่งผู้รับใช้หนุ่มไปยังเมืองเกาะคีดนะคะความเป็นคนวัยรุ่นก็อาจจะกลัวอาจจะกังวลเพราะเรายังเป็นหนุ่มอยู่เลยอะแต่อาจารย์ปะโล ก, ก็ได้เขียนจดหมายที่จะหนุนใจแนะนำฉะนั้นเพื่อทำติดตัซึ่งมีอยู่แค่สามบทเองนะคะ ก็กำลังเน้นย้าถึงมาตรฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีนะคะยิ่งกว่านั้นก็ยังพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้ปกครองคริสตจกักรพูดถึงการดำเนินชีวิตของคนที่สูงวัยของคนหนุ่มสาวแล้วก็ยิ่งกว่านั้นกำลังพูดถึงคนที่ทำงานนะคะก็คือมีทั้งคนที่เป็นทาสนะคะแล้วก็เป็นนายแต่ว่าที่สำคัญจุดเด่นของมาธรรมตอนนี้ก็คือเรารอดโดยพระคุณพระเจ้า ไม่ใช่การกระทำดีของเราและยิ่งกว่านั้นเมื่อเรารอดโดยพระคุณพระเจ้าแล้วธรรมชาติของคนที่ได้รับการถูกสร้างใหม่เขาจึงต้องมีความมุ่งมา่นปรารถนาที่จะกระทำการดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นจึงเห็นว่าพิธาตอนนี้น่าจะเหมาะนะแล้วก็อธิษฐานว่าพระเจ้าอยากให้แบ่งปันกับพี่น้องที่นี่ในพะธรมตอนไหนแม้ว่าจะเป็นวันระึกอนุชน แต่ว่าก็เป็นพระคำพระเจ้าที่ได้สำหรับทุกๆวัยนะคะเราดูในพระธรรมทิตฐัสบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดถึงข้อที่สิบสี่เมื่อเราอ่านเราจะเห็นว่าพระคุณพระเจ้ามีมากพอในชุดของเราพระคุณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายๆคนเมื่อกี้ดูวีทีอารของน้องๆนะคะพระคุณพระเจ้าสำหรับเขาก็จะมีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เชื่อว่า เหมือนที่น้องรัตบอกนะคะว่าสำหรับพี่น้องแต่ละท่านที่นี่พระคุณพระเจ้าในชีวิตก็คงมีมากมายถ้าจะให้ออกมาถ่ายวิธีอาทุกคนนี้ไม่พอแน่เลยนมรสการนี้คงแบบว่าเลิกเย็นเลิกขำเลยทีเดียวนะคะพระคุณพระเจ้าวันเชื่อเลยว่าในชีวิตของเรามีมากเหลือเกินแต่พระคุณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระคุณพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสที่ทรงถูกยอมตรึงตายบปนไมก้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเรา คนที่ไม่น่ารักอะไรเลยการตายเพื่อคนดีก็ยังพอได้แต่การตายเพื่อไถ่บาปให้กับคนที่ไม่น่ารักไม่มีใครทำนอกจากองค์พระเยซูนี่เป็นพระคุณอันใหญ่ยิ่งในชีวิตของเราและในแต่ละวันพระเจ้ามีพระคุณมากพอที่พระเจ้าจะอวยพรเราในแต่ละวันแต่ละวันบางคนก็เรียกพระคุณนี้ว่าพระพรเราได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ละวันแต่ละวัน ต่อให้นับก็คงนับไม่หมดใช่ไหมคะเหมือนที่ใจพัดนำเมื่อสักครู่นี้นะเพลงโอ้โหลราเตรียมมาตรงกันมากเลยนะคะพระคุณของพระคุณของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่นะคะเราก็มีกัดได้ร้องไปเป็นพระคุณซ้อนพระคุณนะคะพระพรของพระเจ้านับยังไงก็นับไม่หมดลูกตันเรียกพระพรของพระเจ้าในแต่ละวันว่าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณเพราะว่าพระคุณหลักพระคุณใหญ่ของพระเจ้านั่นคือการที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงทายมังเข็งเนี่ยเป็นพระคุณที่พระเจ้าให้เราทุกคนอย่างแน่นอนแต่ พระคุณในแต่ละวันพระครในแต่ละวันบางตอนส่วนตัวเรียกว่าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณถ้าพี่น้องไปทะเลนะคะพี่น้องจะเห็นภาพคลื่นใช่ไหมคะน้ำทะเลมันซัดมาตลอดเลยซัดเดี๋ยวก็มาอีกคลื่นใหญ่บ้างคลื่นเล็กบ้างทำให้มองเห็นภาพถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นพระคุณที่เข้ามาในชีวิตของเรามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกไม่มีวันหมดไม่มีคลื่นทะเลที่ ที่ไหนจะบอกว่ามาซัดครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนิ่งสงบไม่มีเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆบางก็งมาใหญ่เหมือนสึนามิอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นพระคุณพระเจ้าไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีโอกะได้หนุนใจน้องๆว่าพระคุณพระเจ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นไหมพระคุณพระเจ้าพระพรพระเจ้าในแต่ละวันเรามองเห็นไหมบางทีพระเจ้าใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ ใจชิตของเรานะคะเราเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เราไปาดูแลพี่น้องที่บ้านกากนะคะก็เราก็เอ้ยรู้สึกว่าเราบางทีบางสัปดาห์น้องๆมนอก็มาทํากับข้าวกินบ้านที่มอที่บ้านเปี่ยมรักนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเปี่ยมรักมาก่อนเป็นสำนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตน้องๆก็มาทํากับข้าวกินบ้างเราก็เห็นน้องๆบางคนโอ้ยช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วกระเป๋าตังค์เริ่มแห้งนะคะก็มากิน กันบ้างเราก็อยากจะช่วยเหลือน้องๆบ้างนะแต่พี่ก็มีจํากัดจํำกัดนะคะไปนมัสการพระเจ้าช่วงเช้าที่บ้านกลางนะคะช่วงเย็นที่มอนอใช่ไหมคะพี่น้องบ้านกลางเตรียมไข่ให้แผงเตรียมน้ํามันเตรียมน้ําปลาขอบคุณพระเจ้าถ้ามองคนอื่นทั่วไปคนที่ไม่เข้าใจคนที่อาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้นะคะแต่สําหรับเราเรารู้ว่า เฮ้ยเรากลับไปยังมีน้องเรายังมีครอบครัวที่แบบต้องกินอ่ะแต่พระเจ้าน่ารักพระเจ้าใส่ใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเรานี่ก็เป็นพระพรพระคุณในชีวิตของเราป้าแต๋วได้บอกว่าพระพรใหญ่ๆที่พระเจ้าให้กับเราพระคุณใหญ่ๆบางทีเรามองข่าบางทีเราแบบรู้สึกว่าเุ้ยเราต้องเราต้องได้พระพรใหญ่ๆดีอย่างเช่นพระเจ้าช่วยเหลือจากอุบัติเหตุพระเจ้าช่วยในสิ่งที่แบบโหยิ่งใหญ่มากเลย แต่วบอกว่านี้มันธรรมดาธรรมดามากๆเพราะยังไงเราก็ตื่นเต้นกับพระพรพระคุณใหญ่ๆอยู่แล้วแต่พระคุณเล็กๆพี่น้องเคยลองนับดูไหมคะพระเจ้าใส่ใจในละเอียดรายละเอียดในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนบางทีเราก็ลืมไปนะคะนี่คือสิ่งที่วันเองอยากจะแบบหนุนใจพี่น้องว่าพระพรของพระเจ้า มีให้กับชุดของเรามากเหลือเกินเพราะคุณพระเจ้ามีให้กับเราไม่เคยขาดจริงๆแล้วเมื่อดูในพระธรรมติตัสใช่ไหยคะก็ได้อธิบายถึงพระคุณของพระเจ้าได้น่าสนใจเลยทีเดียวองา์ตันก็เลยให้หัวข้อของพระคุณพระเจ้าไม่ใช่หัวข้อเป็นเหมือนการยกยกข้อให้กับพี่น้องว่าพระคุณพระเจ้าเนี่ยอย่างแรกก็คือช่วยอย่างที่สองคือสอน พระคุณพระเจ้าช่วยยังไงพราะคุณพระเจ้าสอนยังไงอย่างแรกพราะคุณพระเจ้าช่วยช่วยให้เราได้รับความรอดในข้อที่สิบเอ็ดได้บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดนี่คือพระคุณหลักพระคุณใหญ่ที่ได้บอกแต่แรกว่าพระเจ้ารักคนที่ไม่น่ารักอย่างเราเมื่อลองมองย้อนไปนะคะแม้ว่าเราจะดูเหมือนดีแต่มันมีบางอย่างที่มันไม่น่ารักบางอย่างที่ หลายคนรับไม่ได้หลายอย่างที่บางคนไม่ชอบแม้แต่บางครั้งเราก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองในจุดนี้แต่พระเจ้ารับได้พระเจ้ารักเราพระเจ้ารับคนบาปแต่พระเจ้าเกลียดความบาปเมื่อพระเจ้ารักจะรู้ส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่บาปเรานี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่เพื่ออะไรคะเพื่อให้เราได้รับความรอดเพราะพระเจ้าปรินชนาให้ทุกคนไม่ใช่แค่คริสเตียนฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้คริสเตียนจึงต้องออกประกาศ เพื่อให้หลายๆคนได้รู้จักพระคุณอันยิ่งใหญ่อันนี้พระคุณที่ช่วยให้เราได้รับความรอดไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้รับความรอดทางฝ่ายวิญญาณที่เมื่อเราตายไปแล้วเราจะอยู่บนสวรรค์เท่านั้นแต่พระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากอย่างนะคะในบทที่สองข้อที่สิบสี่ได้บอกว่าผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่าง การอธรรมทุกอย่างก็คือความ บ, บาปทั้งสิ้นนั่นเองนะคะถ้าเราอ่านในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อยสาสิบนะข้อที่แปดนะคะก็ได้พูดถึงว่าการอาธรรมก็คือความบาปทุกอย่างที่เราได้ทําพระเจ้าจะชําระเราหมดสิ้นพระเจ้าจะช่วยเราให้รอดจากความบาปนี้แหละเมื่อเราเชื่อในพระองค์เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะคะนอกจากจะช่วยให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นแล้วพระเจ้ายังช่วยชําระเราให้บริสุทธิ์ด้วย เพื่ออะไรคะเพื่อเราเองจะเป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะพระองค์และเราจะเป็นคนที่วขวนขวายกระทําการดีในข้อที่สิบสี่เลยนะคะบอกว่าผู้ที่ทรงบวชประทานพระองค์เองเพื่อไถ่เราพ้นจากการอธรรมทุกอย่างและชําระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะพระองค์นะคะในพระธรรมอพยพบทที่สิบเกข้อห้าได้กล่าวคําว่าหมู่ชนพิเศษเฉพาะพระเจ้าว่า เหตุชะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงและรักษาพันธสัญญาของเราไว้เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพี่น้องพระคุณพระเจ้าอันยิ่งใหญ่นอกจากจะให้เราได้รับความรอดจากบึงไฟนรกไปสู่แผ่นดินสวรรค์อันเป็นบ้านที่งดงามแล้วพระเจ้ายังทรงช่วยเราให้คุ้นจากความผิดาบาป และชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์พี่น้องนึกภาพนึกภาพตามนะคะมีเด็กน้อยเด็กน้อยตกอยู่ในบอน่อโคลนถ้าถ้าเกิดนึกภาพเมื่อข่าวน่าจะสักปีที่แล้วอะคะ่ะที่ฝรั่งนะคะตกอยู่ในโคลนดินโคมไม่ใช่โคลนเป็นทรายทรายทรายตนะคะที่ภาคใต้นะคะแล้วก็มีคนไทยที่เป็นชาวประมง กระโดดเข้าไปช่วยพี่น้องพอจําข่าวนี้ได้ไหมคะโอ้โหขวาจะช่วยขึ้นมามันหูยากมากโครนมันดูดอะ่ะต้องให้เหยียบตัวให้ปีนขึ้นมาใช่ไหมคะกว่าจะหลุดพ้นพี่น้องนึกภาพนั้นเด็กน้อยตกอยู่ในโครนแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ได้มันติดไปหมดเลยเพราะคุณเต้าคือการชุดพี่น้องออกมาจากโครนพี่น้องได้รับการ ค้นจากโคลนนั้นไม่งั้นต้องติดอยู่งั้นเดี๋ยวคนนั้นได้รับการดึงขึ้นมารอดจากโคลนตมรอดจากความผิดบาปการอาธรรมเมื่อเขาดึงขึ้นมาแล้วจะพาเข้ามาในบ้านพี่น้องคิดว่าจะเข้ามาทั้งโคลอนอย่างนั้นไหมคะก็ไม่ใช่ไหมคะต้องไหมคะล้างตัวชำระตัวให้สะอาดก่อนที่จะเข้าบ้าน โอ้ไม่งั้นบ้านก็เปรอะไปหมดเลยฉนันก็ต้องล้างตัวก่อนเช่นเดียวกันพระเจ้านี่คือพระคุณของพระองค์นอกจากจะฉุดเราขึ้นมาแล้วยังชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์แค่ในสื่อภาพว่าเราช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเหยียบขี้คนเนี่ยจะขึ้นรถที่โอ้โหถอดรองเท้าตบกันเลยทีเดียวนะคะฝุ่นฝนครนเคิ น, น, ค น, นใช่ไหมคะแค่รถอะ่ะเรายังไม่อยากให้เปื้อนเลยสวรรค์อันที่บริสุทธิ์ก็ไม่ต้องการความบาปเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระคุณพระเจ้าใหญ่ อย่ายิ่งที่จะดึงเรามาจากความผิดบาปที่เป็นเหมือนโคลนตมมันดึงเราอ่ะพี่น้องโคลนนี่มันแน่นนะคะเมื่อเราจะกว่าจะขึ้นมานี่หืมหนืดเหลือเกินไม่เหมือนดินปกติที่เราเดินเดินสบายแต่เมื่อเราตกในความบาปความบาปมันจะดึงเราขึ้นยากแต่เพราะพระคุณพระเจ้าดึงเราขึ้นมาและชำระเราให้สะอาดเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาให้พี่น้อง เป็นชนชาติที่พิเศษของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ยิ่งกว่านั้นเมื่อเราได้รับการทรงชำระแล้วเมื่อเราได้รับการหลุดพ้นจากความผิดบาปแล้วอย่างที่บอกค่ะธรรมชาติของคนที่ถูกสร้างใหม่ต้องปราถนาที่จะกระทำการดีทะานั้นเมื่อเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วพระเจ้าบอกว่าให้เป็นคนที่ขวนขวายกระทาการดีทางเมื่อใดก็ตามชีวิตของเราไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะขวนขวายกระทาการดี อันนี้ต้องใช้เวลาทบทวนกับพระเจ้าว่าเรายังมีคนตมติดอยู่ไหมติดอยู่ที่ขาหรือเปล่าซอกรองเท้าไหมเสื้อผ้าน้อยอาจจะติดมานิดนิดหน่อยหน่อยมันทำให้เรารู้สึกไม่อยากจะขวนขวายกระทำการดีชอบสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนนะคะว่าชีวิตของคริสเตียนต้องมีกิโลเมตรที่สองเมื่อผู้ใดเกณฑ์ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งกิโลเดินไปกับเขา อีกหนึ่งกิโลชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่กิโลเมตรแรกแต่ต้องเป็นกิโลเมตรที่สองกิโลเมตรแรกใครก็ทำหลายๆคนข้างนอกที่ไม่ใช่คริสเตียนเขาเป็นคนดีเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแต่คริสเตียนต้องมากกว่านั้นมากกว่าแค่ทำการดีแต่อยู่กับเขาอีกกิโลเมตรที่สองหลายๆ อ, องค์กรทำมูลนิธิช่วยเหลือคนเป็นโรคเอสบ้าง ผู้ป่วยบ้างลูกเลือนช่วยมาถึงระดับหนึ่งแล้วเขาก็หยุดช่วยจบแต่คริสเตียนองค์กรที่เป็นคริสเตียนเมื่ออยู่ช่วยแล้วอยู่ช่วยต่อไปอะ่ะจนกระทั่งได้จิตวิญญาณอยู่ช่วยต่อไปจนจนสุดๆของเราไปเลยฉะนั้นชีวิตกิโลเมตรที่สองคนจะมีอยู่ในพี่น้องผู้เชื่อในพระคริสต์นี่คือคนที่ พระเจ้าได้ทรงชำระแล้วจะต้องเป็นคนที่ขวนขวายกระทาการดีด้วยฉะนั้นพระคุณพระเจ้าอย่างแรกก็คือการช่วยใช่ไหมคะช่วยให้เรารอดรอดจากกานธรรมและชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเป็นหมู่ชนพิเศษและขวนขวายทำการดีอย่างที่สองพระคุณพระเจ้าก็คือสอน นะะในบทที่สองข้อที่สิบสองถึงสิบสามได้กล่าวว่าสอนให้เราละทิ้งความอาธรรมและโลกิยะตันหาและดาเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสัตซ์ซื่อสุจริตและตามคลองธรรมโอเคแค่นี้ก่อนอย่างที่สองสอนพระคุณพระเจ้าคือสอนเราครูในโรงเรียนพ่อแม่หรือว่าพี่เลี้ยงคนในคิดจักสอนเราได้ สอนได้ค่ะสอนได้ระดับหนึ่งแต่พระเจ้าจะสอนเราตลอดไปและทุกช่วงเวลาเราไปโรงเรียน8มงถึง4โมงเย็นเรานั้นเจอพี่เลี้ยงมาโบทก็เจอตามเวลาแต่พระเจ้าสอนเราตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นพนี้คือพระคุณพระเจ้าพระเจ้าจสอนอะไรเราบ้างอย่างแรกสอนให้ทิ้งค่ะทิ้งความอาธรรมทิ้งโลกียะตัณหา เพราะพระเจ้ารู้ว่ามันุษย์เป็นคนบาปแม้ว่าเราเองจะได้รับการชำระแล้วแต่บางทีมันเราเดำเนินโลกท่ามกลางความบาปมันบ้างความคิดบ้างคำพูดบ้างการกระทําบางอย่างบ้างที่เาจะตกลงไปแต่เมื่อเราตกหรือแอบที่จะติดคนตนแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสอนเราให้รู้จักทิ้งมัน ภาพเดิม น, นะคะเด็กที่ติดโคนนะคะถูกดึงนะคะเมื่อถูกดึงมาแล้วถูกชำระแล้วเด็กก็มีบ้างที่จะเอะแอะเหยียบแตะบ้างแต่คนที่ดึงเราชุดเราจะสอนเราว่าโดนแล้วต้องล้างลูกพระซูเป็นคนนั้นที่จะสอนเราให้รู้จักละทิ้งความบาปละทิ้งสิ่งที่มันเป็นความอยากไม่ใช่เป็นความต้องการ นอกจากสอนให้ทิ้งแล้วยังสอนให้ทําพระเยซูสอนให้เรารู้จักทําตัวเองให้ดําเนินชีวิตอย่างมีสติท่ามกลางในยุคนี้พัมพี่น่าสนใจค่ะ พ, พัมพีทันสมัยเสมอพี่น้องทราบใช่ไหมคะเขาบอกว่าการดําเนินชีวิตในยุคเนี้มันมันไม่ราบรื่อนอ่ะการดําเนินชีวิตในแต่ละยุคมันไม่โอเคอ่ะแต่ละยุคก็มีความบาปของมันยุคนี้ก็เป็นเรื่องของ การทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆใช่มคะมือถือเออิอนเทอร์เนต็ตเออทำให้ดึงความสัมพันธ์แบบมนุษย์ออกจากกันกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีพรซู บ, บอกว่าดาเนินอย่างมีสติไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งโทรศัพท์ต้องทิ้งคอมพิวเตอร์ทิ้งอินเทอร์เนต็ตแต่รู้จักใช้อย่างมีสติ ถ้าเรารู้จักใช้อย่างมีสติเราจะพบพรพรของพระเจ้าหลายๆครั้งอินเทอร์เนต็ตหรือว่าโทรศัพท์เฟซบุ๊กก็เป็นพรให้กับคนอื่นแต่ถ้าเราให้สินั้นมากเกินไปมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกระดาเนินชีวิตค่านิยมของโลกยุคเนี้ค่ะถ้าเรารู้จักใช้เราจะใช้มันแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีพวกเนี้ยจะใช้เราเป็นเครื่องมือ คนชอบคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เคยเอาไว้เปิดให้น้องในใค่สัมพันธ์นะคะว่าผู้ชายคนนึงพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องะคะ่ะจากนั้นถ้าเขาบอกว่าถ้าเราอ่ะถือมือถือตลอดเวลาเลยอะไรก็มือถืออ ะ, อ, ถ อ, อะไรก็ให้มือถือช่วยอะไรก็ให้อินเทอร์เน็ตช่วยนะเราจะพลาดบางอย่างแล้วเขาก็ให้ภาพมาว่าเขาเนี่ยดูแล้วเขาจะไปที่แห่งหนึง่งถ้าเขาอุ้ยเซิร์ชอันนะี้กูเกิลแมปก็ได้ ถึงเหมือนกันไหมถึงเหมือนกันไม่ต้องพึ่งใครด้วยไปได้แต่เขาให้อีกภาพหนึ่งค่ะทิ้งมือถือลงแล้วใช้ความสัมพันธ์มนุษย์กับมนุษย์ถามทางโอ้ถามทางหญิงสาวคนหนึง่งหญิงสาวคนนั้นก็อ๋อไปทางนั้นค่ะไปทางนั้นไปไม่ถูกใช่ไหมมาพาไปค่ะก็พาไปพบรักกันจนกระทาั่งแต่งงานมีลูกให้ภาพ่างนี้เลย แล้วเขาก็ย้อนกลับมาอีกภาพหนึ่งว่าถ้าผู้ชายคนนั้นยังใช้ Google แมพเขาก็ผ่านผู้หญิงคนนั้นพลาดจากพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้พาทุกอย่างเลยฉะนั้นพระคำพิจารณ์ น, นี้น่าสนใจบอกว่าให้เราดําเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติเราใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เราเราใช้เงินไม่ใช่เงินใช้เราเราใช้อํานาจชื่อเสียง ไม่ใช่ให้อำนาจชื่อเสียงใช้เราเราจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งพวกนี้แต่ให้พวกนี้อยู่ภายใต้อำนาจของเราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณพระเจ้าพระเจ้าจ ะ, จะสอนเราสอนเราให้รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างสัตซ์ซื่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ตัวเราทั้งหลายถ้าเราเชื่อถ้าเรารับพระคุณของเจ้าเราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง อย่างที่บอกตั้งแต่แรกค่ะว่าเมื่อเราได้รับการสร้างใหม่ชีวิตของเราจะขวนขวายกระทำการดีและที่สำคัญพระคุณของพระเจ้าให้เรารู้จักรอคอยค่ะในข้อที่14ตอนท้ายนะข้อที่13นะคะได้บอกว่าให้เรารู้จักรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าคอยความสุข คอยตามความหวังของเราในชีวิตข อ, ของเราเนี่ยดำเนินชีวิตทุกวันเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คืออะไรคะการได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์นิรันดร์ฉะนั้นเราเองจะต้องใช้ชีวิตยอย่างรอคอยแบบกระตือร้ น, รนเคยเห็น เ, เคยได้ยินนะคะว่ามีคริเสเตียนหลายคนเมื่อรู้ว่าพระเยซูคริสต์ใกล้จะมาแล้ว คุยรอเลยค่ะรอคอยนั่งอธิษฐานนั่งรอคอยไม่ทำอะไรเลยรอค่ะก็รอคอยอะ่ะแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้สอนให้เรารอแบบนั้นรอแบบมีความหวังรอแบบกระตือรือร้นพระเยซูสอนว่าให้เราเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะแม้แต่พระองค์เองก็ไม่รู้ว่าวันไหนโมงไหนที่พระองค์จะมารับพวกเรา พรบิดาเซอร์ไพรส์ค่ะมาวันไหนไม่รู้ถ้าเรายังไม่เตรียมพร้อมเพลซู ม, มารับไปแล้วจะทํายังไงดีคะฉะนั้นเราเองต้องมีการเตรียมตัวเองอยู่เสมอรอคอยพระเจ้าอยู่เสมอใช้ชีวิตของเราณปัจจุบันเนี้ยอย่างเตรียมตัวเตรียมพร้อมน้องๆ อ, อนุชนก็เตรียมตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลานะคะก็ติดตามน้องๆ อ, อนุชนนะคะ ทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไปอะไรนะ mm hmm. เขาเรียกว่าคอสอชอ mm hmm. ใช่ไหมคะคืนความสุดสู่ชุมชนนะคะแจกของทําสิ่งดีเพื่อให้คนเห็นพระเจ้าพระเจ้าคือการให้พระเจ้าคือความรักเตรียมตัวเองอยู่เสมอเรียนพระวนจนะของพระเจ้าเตรียมตัวเองอยู่เสมออธิษฐาน mm hmm. อย่าถ่านเช้าด้วยใช่ไหมคะเตรียมตัวเองอยู่เสมอ เพื่อวันหนึ่งพระเยซูคริสต์มาเราจะพูดได้เต็มปากว่าพระเจ้าลุกทําเต็มที่ลุกรอคอยพระองค์ด้วยความหวังอย่างเต็มที่ลูกไม่นั่งเฉยๆนะพระองค์เห็นภาพภาพหนึ่งนะคะอยู่กับน้องๆมอประจํานะคะโอ้ทุกปีเลยรับปริญญาก่อนก่อนรับปริญญาน้องๆมนอก็ต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมคะตัดชุดถ่ายรูปรับปริญญาก่อนถ่ายก่อนรับบ้างเตรียมแต่งหน้าบ้างบางคนซ้อมแต่งหน้านะคะ พออยกลัววันจริงถ่ายรูปไม่สวยซ้อมแต่งหน้าบางคนดูชุดมองกระจกนะคะแอบเห็นแอบเห็นนะคะน้องๆมานอนเตรียมตัวเองอะ่ะเพื่อว่าอะไรคะเพื่อวัวนรับปริ ญ, ญญาเขาจะสวยที่สุดถ่ายรูปแล้วถ้าเขาไม่เตรียมล่ะคะพอถึงวันจริงรับปริ ญ, ญญาขึ้นมาโอ้โหบางคนก็ไม่แคร์นะคะแต่ว่าคุณจะหน้าโทมโอโหแต่งหน้าโอโหหน้าเข้มเลยทีเดียวแต่งหน้าโอ้โหไม่สวยเลยทีเดียวมันเป็นความภาคภูมิใจในวันรับปริญ ญ, ญารับกับพระเทศอะ่ะ คุณต้องเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดพระเยซูคริสต์ยิ่งกว่า น, นั้นสักแค่ไหนพี่น้องเราก็ต้องเตรียมชีวิตของเราอย่างเต็มที่ถ้าวันนี้เราเองยังไม่ได้เตรียมตัวเองเพื่อรอคอยอย่างมีความหวังในองค์พระเยซูคริสต์หนุนใจให้เตรียมตัวเองค่ะพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเรามีมากมากจริงๆมากจนเราควรจะตอบแทนพระคุณพระองค์ เมื่อใครให้อะไรเรามาเรารู้สึกโหเป็นพระคุณในชีวิตของเราเลือเกินอยากะตอบแทนยิ่งกว่านั้นพระเจ้าพูดไถ่ชีวิตของเราให้เราพ้นจากแดนมรณะเราเองก็ควรจะตอบแทนพระคุณพระองค์พระองค์ไม่ใช่แค่โอเคปุ๊มเจ้าเชื่อเจ้ารอดจบไม่ใช่พระเจ้ารักเรามากกว่านั้นพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอความกลางความอ่อนแอนั้นพระเจ้าอยู่กับเราทุกวัน แล้วคอยช่วยเหลือเราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างแต่อยากบอกให้รู้ค่ะว่าทุกวันในชีวิตของเราที่เราผ่านมาแต่ละวันพระเจ้าช่วยพระเจ้าหนุนพระเจ้านำทั้งหมดล้วนเป็นพระคุณพระเจ้าเสมอเมื่อพระคุณพระเจ้ามีให้เราอยู่อย่างนี้พระเจ้าช่วยเราให้รอดพระเจ้าสอนเราให้ดำเนินชีวิตที่ดีเราจะรับพระคุณพระเจ้าไหม ในพระคัมภีร์มีบอกว่ายาสักดิ์ได้รับพระคุณของพระเจ้าฉะนั้นชีวิตของเราเราจะรับพระคุณพระเจ้าด้วยหัวใจที่ชื่นบานยิ่งกว่านั้นเราจะตอบสนองพระคุณพระเจ้าที่ให้ในชีวิตของเราพระคุณเป็นพระคุณพระเจ้าเป็นพระคุณอย่างที่บอกค่ะพระพรเป็นพระคุณซ้อนพระคุณในชีวิตของเราเมื่อกี้ได้ฟังเพลงแรกที่ เจพัดได้ลองนะคะที่นา้าอ๋าได้มิวกัดได้สอนเราเพลงพระคุณซอนพระคุณใช่ไหมคะก็ทาให้นึกถึงว่าเมื่อครั้งที่เรารู้สึกอ่อนแอเมื่อครั้งที่เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่มีใครเข้าใจแต่ว่าพระเยซูคริสต์ไม่เคยละสายตาของพรงจากพี่น้องเลยพรงดูแลพรงคอยเฝ้าห่วงใยเสมออยู่ที่เราว่าเรามองพระองค์ไหม แม้ว่าสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พี่น้องสัมผัสถึงพระคุณพระเจ้าได้ไหมพระคุณพระเจ้าความรักพระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะแต่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราได้รับการเรียนรู้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีพระคุณมากเลยในชีวิตของเราไม่ใช่แค่ตรงนี้ค่ะแต่เป็นตรงนี้ตรงนี้คือประสบการณ์ถ้าเรามีประสบการณ์กับพระเจ้า เราจะนึกถึงพระคุณพระเจ้าในชีวิตเราเสมอเราเองจะเรียนรู้ว่าพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเรามีมากมากจริงๆอยากให้เวลานี้พี่น้องมีโอกาสได้เลยอธิษฐานด้วยกันนะคะขอดนตรีบรรเลงเพลงพระคุณซอนพระคุณมาอยากให้เราใช้เวลานี้นึกถึงพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระคุณพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราอย่างแรกเลยคือความรอด เราหน้ารักมากพอที่จะให้พระเจ้าช่วยไหมไม่ใช่เลยแต่พระเจ้ายังทรงรักและช่วยเหลือเราเสมอขอบคุณพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นในแต่ละวันในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตพระองค์ก็ยังวอวยพรเราเป็นพระคุณซ้อนพระคุณ เนื้อเพลงนี้บอกว่าแม้ว่าถ้าเราเองอ่อนกำลังอ่อนแรงไม่มีแรงร้องไห้เสียใจบางครั้งเราก็เศร้ารู้สึกว่าไม่มีทางออก อ, อ, กอีกแล้วแต่อยากให้พี่น้องรู้ไวค้ค่ะท่ามกลางความอ่อนแอของเรา พระเจ้าไม่เคยละสายตาพร่ำเฝ้าดูพี่น้องเสมอแย่าพร้อมที่จะเขียงข้างแมอยากให้เราใช้เวลานี้ให้ควรถึงพอะคุณพระเจ้าในชุดของ ใช่แล้วในทุกๆวั น, ว น, น, วนพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าเรามีค่าเรามีค่าคณจิตใจอ่อนระหอยเลยเลย ทงง่านน้องท่านใดที่รู้สึกว่านนีน่กดาาางงงงมมมไไสิเเออออยรรหหวว้ึทใป แคาพี่น้องรู้สึกว่าเราอ่อนแอและเกินพเราไม่เคยละสายตาพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าดูแลเราเสม อ, อแม้ว่าเหมือนไม่มีใครที่จะช่วยเร า, ไ ม, มาไม่มีใครช่วยได้แต่ใจไม่เคยอ้างวางทุกอย่างแต่พระเยซูช่วยได้เ ร, เ, รดเราึงอยากจะขอบคุณแตอบแทนเรา ขอบคุณพระเจ้าทำให้เรามีค่าทำให้เรามีค่าแม้ว่าเราเป็นคนบาเราได้รับความรักขอบ่คุณเข้ามาขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณในความรักของเร า, ารขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินวขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทีาาใ่ใหญ่และพร้อมเข้ามา และรองกขามาเป็นพระคุณสอนพระคุณไม่ใช้เวลาที่สงบใจอธิษฐานในกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารู้ว่าพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเรามากเหลือเกินพระองค์เจ้าค่ะเราอ่อนแอพระเจ้าทรงช่วยยามที่เราหมดหนทางพระเจ้าเปิดหนทาง ยามที่เรามืดบอดพระเจ้าให้แสงสว่างและทำให้เราเห็นแค่แต่พระเจ้าพระคุณที่เราทั้งหลายได้รับและได้รู้จักนั้นมากมากเกินคำบรรยายและขอพระเจ้าช่วยช่วยเราทั้งหลายได้เถิดพระเจ้าชวนเนินชีวิตอย่างที่องค์พระเยซูคริส ปรารถนาะรู้ว่าเราเองเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นพิเศษเมื่อเราเป็นคนพิเศษของพระเจ้าเราจะต้องไม่เหมือนเราจะไม่เหมือนกับโลกไปนี้ที่เขาเองมีค่านิยมผิดๆแต่เราเองจะดำเนินชีวิตอย่างมีสติอย่างที่พระเจ้าสอนและเพียรอคอยองค์พระเยซูคริส ด้วยหัวใจเห็นความกระตือรือร้นและความหวังอยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของเราทั้งหลายรู้สึกไม่ต้องการที่จะขนขวายทําความดีขอพระเจ้าเปลี่ยนใจขอพระเจ้าเปลี่ยนใจข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้พระคุณความรักของพระองค์ตราตรึงในหัวใจ ของเราทั้งหลายอยู่เสมอและเราทั้งหลายก็พร้อมที่จะตอบแทนพระคุณของพระองค์เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าไวพรพี่น้องค่ะ